ประการที่สองเห็นอารมณ์ทั้งหกโดยหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอัตมาจะยกตัวอย่างมาหลายๆแนวเพื่อให้เป็นตัวอย่างเช่นว่ามองที่อารมณ์คือมองลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารม6ประการที่มันจะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจ ว่าแม้แต่อารมณ์นี้มันก็เป็นมายาโดยอาศัยความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราอย่าทำเล่นกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนไม่ใช่เรื่องสำหรับคนแก่หรือว่าเป็นเรื่องเอาไวส้วสวดศพคนตายแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจําวันสำหรับคนเป็นๆถ้าใครสามารถเอาความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา เข้ามากำกับอยู่กับชีวิตประจำวันแล้วคนนั้นได้ชื่อว่ามีเชื้อต้านทานโรคสูงสุดแล้วอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสนั้นจะไม่เกิดเป็นพิษขึ้นมาได้เราจะมีอยู่เป็นอยู่อย่างมีความเกษมบาลีใช้คำว่าเคมะเกษมนี่เป็นภาษาสันสกฤตคือกัสมาแล้วมาเป็นไทยว่าเกษม เราจะเป็นอยู่อย่างเกษมน่าแปลกเหมือนกันที่ท่านไม่ใช่คําว่าเป็นสุขเพราะคำว่าสุขนี้มันออกจะเป็นมายาหรือหลอกลวงอยู่รูปหนึ่งเหมือนกันเอาแต่เกษมก็เลอกกันเกษมหมายความว่าอิสระและสงบเย็นถ้าจะพูดให้เห็นชัดหน่อยไม่ให้เป็นที่ตั้งของความหลงก็เรียกว่า กเกษมจากโยคะโยคะคือเครื่องรบกวนเกษมจากเครื่องรบกวนนั้นคือว่างหรือนิพานหากต้องการจะมีชีวิตอย่างกเกษมแล้วก็ต้องอาศัยความรู้เรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาให้สมบูรณ์มันจะต่อต้านกันได้กับอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบไม่ให้ไปหลงรักหรือหลงเกลียด เรื่องวุ่นวายมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือไปหลงรักอย่างหนึ่งไปหลงเกลียดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หัวเราะและต้องร้องไห้ถ้าใครมองเห็นว่าหัวเราะก็กระหืดกระหอบมันเหนื่อยเหมือนกันร้องไห้เนี่ยมันก็กระหืดกระหอบเหมือนกันสู้อยู่เฉยๆดีกว่าอย่าต้องหัวเราะ อ, อย่าต้องร้องไห้เนี่ยหละมันเป็นความกษม เราอย่าได้ตกไปเป็นาธาตุของอารมณ์จนไปโหเราะงหรือร้องไห้ตามที่อารมณ์มายัว่วเราเป็นอิสระแก่ตัวหยุดอยู่หรือกระแสมอยู่อย่างนี้ดีกว่านี่คือการที่เราใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องมือกา ก, กับชีวิตเป็นประจำวันสามารถเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นมายาเป็นอิลูชันเหมือนอย่างที่ตัวกูของกูก็เป็นอิลูชัน เพราะว่าตัวกูของกูมันเกิดมาจากอารมณ์ตัวกูของกูเป็นมายาอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นมายาเห็นได้ด้วยหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาโรคก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิด